งานที่รักเต็มไปด้วยอุปสรรคทำอย่างไรให้มีกำลังใจทำงานปึกเทียบน้ำหนักความรู้สึกพอใจที่ได้ทำส่วนหนึ่งสบายใจที่ได้ทำส่วนหนึ่งเต็มใจที่ได้ทำส่วนหนึ่งเป็นตัวของตัวเองที่ได้ทำส่วนหนึ่งและอื่นๆไม่พอใจที่จะอุปสรรคส่วนหนึ่ง กังวลใจเกี่ยวกับความมั่นคงส่วนหนึ่งไม่เต็มใจกับการคล้องเกี่ยวกับบางคนส่วนหนึ่งทำอะไรไม่ได้เต็มที่อย่างที่หวังส่วนหนึ่งและอื่นๆเทียบความรู้สึกไปเรื่อยๆทั้งบวกและลบวันต่อวันจนกว่าจะถึงจุดที่เกิดสติเห็นชีวิตตัวเองทั้งชีวิตเป็นกระแสความรู้สึกจะมีความรู้สึกอยู่ชุดหนึ่งที่ตัดสินความเป็นเรา เราเลือกความรู้สึกชุดนั้นไว้เป็นตัวเราแล้วเราจะมองข้ามวัตถุข้ามการตัดสินจากคนอื่นตลอดจนข้ามอุปสรรคทั้งมวลไปได้กลายเป็นความปักใจมั่นคงและยั่งยืนไปเองถามมีบุญใดที่ทำให้การงานราบรื่นไม่ติดขัดไหมตอบว่า ส่วนใหญ่จะออกแนวที่เคยส่งเสริมให้คนได้ทำอะไรแล้วราบรื่นคนที่ติดขัดเจอปัญหาชีวิตเจออุปสรรคอะไรต่างๆนาน า, นาทั้งก่อนที่จะทำงานทั้งขณะทำงานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไปขัดขวางหรือว่าไปทำให้คนอื่นเขาไม่เป็นสุขตัวอย่างง่ายๆเช่นทําธุรกิจแล้วไปขัดแข้งขัดขากันกับคู่ต่อสู้อยู่บนวิธีของการต้องแซงไปข้างหน้า ไม่สามารถที่จะล้าหลังหรือว่ายอมลดราวาศอกให้ใครเขาซึ่งการแข่งขันก็จะมีแบ่งแยกออกไปอีกว่าแข่งกันแบบซื่อๆใสๆเอาความสามารถเอาไอเดียเข้ามาประชันกันหรือว่ามีการชกใต้เข็มขัดมีการที่ใส่ร้ายป้ายสีมีการเอาโคลนไปป้ายหน้าคู่ต่อสู้ให้เขาถูกจับให้เขาถูกตรวจสอบให้เขาต้องเดินทางไปแก้ต่างเดินทางไปจ่ายค่าปรับอะไรต่างๆ นี่ก็เป็นวิธีทางการแข่งที่แตกต่างกันออกไปในขณะที่บางคนทำธุรกิจก็จริงแต่ว่าไม่คิดแข่งกับใครเลยคิดแข่งกับตัวเองคิดผลิตไอเดียใหม่ๆออกมาไม่ตั้งใจที่จะไปเบียดเบียนใครอย่างนี้ก็จะอยู่บนลูวิ่งแข่งกับตัวเองต่อไปอยากรู้ว่าเราจะมีอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไร ดูง่ายๆว่าปัจจุบันทำอย่างไรกับคนอื่นถ้าหากว่าเจตนาของเราวิธีทำธุรกิจของเราเป็นไปด้วยความปรารถนาดีกับลูกค้าอยากให้อะไรดีๆกับลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่กลั่นแกล้งใครเลยไม่เคยใส่ร้ายใครไม่เคยไปสร้างอุปสรรคให้ใครนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราได้มีงานการที่ราบรื่นในการต่อไป ส่วนใหญ่ถ้าทำอาชีพการงานในแบบที่ไม่ต้องแข่งกับใครมักจะให้ผลตั้งแต่ในชีวิตนี้เลยว่าทุกอย่างราบรื่นไปหมดพอผ่านอุปสรรคขั้นเบสิกช่วงแรกๆไปได้หลายปีเช่นการต้องจัดระเบียบความคิดของตัวเองความลำบากของการเดินทางหรือว่าความยากของการนำเสนอสินค้าเป็นต้นก็เหมือนกับได้ขึ้นที่โลง่งขึ้นซุปเปอร์ไฮเวย์ สามารถแล่นเฉีวไปได้โดยที่ไม่มีอะไรติดขัดอีกต่อไปหมายเหตุ head, ผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการทำความดีทั้งความดีของตนและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมของตนและกรรมของผู้อื่น ก็มาจะมีอุปสรรคขัดขวางมากเป็นพิเศษกว่างานธรรมดาทั่วไปหลายเท่านะครับในบางเรื่องนั้นก็อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมเวรแต่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมารผจญที่เป็นธรรมดาต้องมาขัดขวางหรือทดสอบการทําดีเสมือนเป็นข้อสอบที่เอาไว้วัดเพื่อให้ผ่านไปได้ในแต่ละขั้นนะครับเหมือนกับที่หลวงตาพระมหาบัวกล่าวไว้ในหนังสือที่ท่านเขียนนะครับว่าการปฏิบททัติธรรมต้องมีปัญหาและต้องเจอทุกคน ถ้าใครปฏิบัติแล้วโล่งสบายไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรเลยนั้นท่านว่าน่าจะปฏิบัติไม่ตรงหรือต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ